พากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะทำใจให้สงบไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นเมอจะด้วยพระสูตรมนุ์อะไรมันก็เป็น อุบายเพื่อทำใจให้สงบนี้เองเพื่อให้จิตระลึกอยู่ที่กายที่ใจขณะที่สวดมนต์ไหว้พระอยู่ถัดสำรวมจิตใจตัวเองอย่างนี้เรื่อยไปนี่ตามธรรมดาแล้ว คนเราไม่ค่อยสำรวมจิตนักจะปล่อยจิตให้คิดสัานไปพัวจึงไม่สามารถทำใจสงบได้เมื่อเวลานั่งสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันเข้าใจว่าการสำรวมจิตนี่เป็นอาการลิโก ไม่อ่างการอ้างเวลางานใดที่จะสำคัญเท่ากับงานเกี่ยวแก่การรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลกุณงามความดีอันนี้เป็นงานอันสำคัญกลัวบรรดาการงานทั้งหลายในโลกนี้ เพราะเมื่อคนเรานั้นฝึกผนจิตใจให้ดีได้แล้วมันทำการงานอย่างอื่นมันก็ดีไปหมดเลยถ้าใจไม่ดีแล้วทำการงานอย่างอื่นมันก็เลียวไหลไม่ดีบางทีก็ไม่แล้วการงานเหล่านั้นที่ท่านเรียกว่า ทำการงานจดจดจ้องจ้อ ง, องอ น, นั่นเองทันเมื่อทําไปหน่อยหนึ่งแล้วมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นมาผุดพ้อใจถอยเสียไปลายปลายผัดทำขึ้นมาใหม่อีกพอมีอุปสรรคน่อหนึ่งก็ถอยไม่ต่อสู้กับอุปสรรคนั้นๆ ไอ้อย่างนี้ที่เรียกว่าทำจุดจดจ้องจ้องไม่เอาจริงเอาจังถ้าเอาจริงเอาจังแล้วมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็ต้องสู้กันต้องว่าฟันอุปสรรคนั้นให้มันลุร่วงไปเว้นเสียแต่สิ่งใดที่มันเหลือวิสัย จริงจังอันนั้นก็จึงค่อยงดกันเห็นนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะการเจ็บปวดมันนี้ิดหน่อยก็เลิกเสียไม่อดไม่ทนทีนี้ใจมันจะรวมลงได้ยังไงอ่ะอนน ก, กิเลสมันผลักดันเอา ใ้เจ็บโน่นปวดนี่ น, นิดนิดหน่อยหน่อยพอให้เกิดความลงพานใจเท่านั้นแล้วก็เลิกเสียอย่างนี้นะเอ่อไปทำทีไรหันธรรมานมันก็รบกวนอยู่นั้นแหละอย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ใดไม่ยอดท้อหรอก พยายามเพ่งจิตเข้าไปให้มันสงบลงไอ้ความเจ็บความปวดหรือความหงุดหงดิดอะไรต่างๆที่มันเป็นมารน่ะมันก็ยอมระ ง, งับไปในตัวมันจะไม่รบกวนต่อไปเมื่อมารคือกิเลสเหล่านั้น มันสงบระ ง, งับลงจิตใจมันจึงรวมลงไปได้ให้พึงเข้าใจก็ยังว่าขันธมานกิเลธมารแล้วก็อภิสังขารมานเทวตามานมัดจุบมาน มานของชีวิตมีอยู่ถึงห้าประเภทแลวนะก็รนั้นให้พึงเข้าใจความเจ็บปวดความไม่สบายกายโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบี้ยนบ่อยๆ อ, อันนี้ก็เป็นมานอันหนึ่งขัดขวางไว้ให้คนเราทำความเพียร น, นั่งสมาธิภาวนา เดินอยู่กรมหรือไหว้พระสตดมนต์อันบริขันผู้ใดถูกมารอันนี้รบกวนเอาแล้วหวั่นไหวอย่างนี้มันก็หลุดพ้นจากเงื่มของเงื่มมือของมารหนอนไปไม่ได้จึงว่าต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวขันธมาร อันนี้เนี่ยถึงแม่ร่างกายมันจะโรคไั้เบียดเบียนเอาไงส่วนจิตใจนั้นก็ไม่ต้องแปรผันไปตามร่างกายต้องฝึกให้มันมัน่นคงให้มันตั้งมั่นอยู่ทำทำความรู้เท่าต่อสังขารร่างกายเหล่านั้นอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่่วนไหไปตาม ขันธม า, นามานกิเลสทามานมานคือกิเลสได้แก่กิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร่กิเลสอันคือตัวความใคร่นั้นเองเนี่ยเรียกว่ากิเลส รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสนั่นเป็นเหยื่อล่อให้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาอย่างนี้แหละความเป็นผู้ได้ลูกคำสัมผัสต่างๆอันมูนั้นนะ่ะมันทำให้เกิดความใคร่อย่างรุนแรงขึ้นในใจที่ทันเรกวกีเลสกามวัตถุกามนั่นนะ่ะนั่นน่ะ วัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นอนะ่ะมันเป็นสิ่งที่น่าคล้าเน่าพอใจเหมือนว่าอย่างนี้เลยมันเป็นมารใหญ่ทีเดียวอ่ะกิเลสเหล่านี้ฉะนั้นเพิ่งระมัดระวังนะอย่าให้มารเหล่านี้มันมาครอบงำจิตใจได้ รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสมันก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นตามเรื่องมันเรเรื่องอะไรนะจึงไปหลงไหลกันหลงไห ล, นห ล, หลในของไม่เที่ยงของเหล่านี้มันเกิดขึ้นชั่วคราวหนึ่งเท่านั้นแล้วมันก็แปรปวนแตกดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้บรรดารูปกายทั้งหลายเหล่านี้ ทั้งลูกอื่นกว่านี้ลูกนี้กว่านี้มันก็มีสภาวะเหมือนกันถ้าหาก็เพ่งแต่ผิวนอกมันก็น่ารักน่าใคร่อยู่ว่างนะแต่ถ้าเพ่งในหนังเข้าไปนวนแล้วถึงเอาไว้ว่าน้อยใหญ่ภายในนวนแล้วมันไม่มีอะไรน่ารักน่าใครเลยมิแต่สิ่งไม่สวยไม่งาม กรีนก็ไม่น่าสูดน่าล้มเลยอย่างนี้นะรูปร่างสันผานถ้ามองให้ดีๆแล้วมันก็ไม่น่ายินดีอะไรรูปร่างอันนี้โครงกระดูกนะมันก็เป็นโครงอยู่ภายใน น, น่เหมือนกับโครงร่างของเรือนอย่างนี้แหละถลื้เครื่องมงเครื่องบางออกไปแล้วห มันไม่มีอะไรไอะไร่ะไม่มีอะไรน่ายินดีน่ะพอใจเลยเรือนหลังนั้นนะแต่ถ้าเอาเครื่องกั้นกั้นเข้าไปมุงล้างคาเข้าไปใส่โนนใส่นี่เข้าไปพาสีเข้าไปเอ๊สวยงามนะบ้านหลังนี้นี่นะร่างกายนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละให้พิจารณากันเอา ในเมื่อประดับตกแต่งอาบน้ำชำระขัดถูให้สะอาดสะอ้านเข้าไปทานน่นทานี่เข้าไปเอาผ้าใหม่ใหม่มานุ่งมาห่มเข้าไปดูมันสวยงามดีสวดทงก็ดีแท่ที่จริงแล้วเมื่อหนังเนื้ออะไรเปื่อย ละลายออกไปเราเหลือแต่โครงกระดูกดูสิสวยงามตรงไหนไม่เห็นมีอะไรสวยงามกระบอกตากระโบ卜นั่นนีปากก็มีแต่ซี่ฟันปรากฏอยู่เท่านั้นเองหูกระโโบไปอย่างนี้กระดูกคางก็ ยื่นออกมาเห็นตะกระดูไม่นา่าพอใจอะไรเลยอย่างนี้มันหลอกตาลวงใจในความประดับประดาตกแต่ ง, งต่างๆอย่างดังกล่าวมานะั้นมันเป็นเครื่องหลอกตาลวงใจคนผู้ที่ไม่มีปัญญาคนที่ไม่ฝึก้นใจเขาตนให้สงบระงับ คนที่ท่านได้ฝึกฝนตนมาแล้วมีปัญญาดีมองเห็นความจริงของร่างกายนี้ตามเป็นจริงย่อมไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญอะไรเลยใครประดับประดาตกแต่งอะไรก็ตามในรูปกายอันนี้นั่นเองมันก็ไม่มีอะไรที่จะสวยงามและยั่งยืนอยู่ได้เลยนี่แหละขันธมาร ออืกิเลสสามานมันก่อนเนื่องกันแหละอันมานเหล่านี้นะอภิสังขารมานมาได้แก่ความวิตกวิจารณ์ในใจที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นอภยยากระตาธรรมธรรมที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้าง อ, อันมูนี่ ถ้าบุคคลไม่รู้เท่าแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นบานเหมือนกันเพราะว่ามันคิดทั้งสองอย่างวิตกไปในทางกุศลก็วิตกวิตกไปในทางอากุศลก็วิตกอย่างนี้นะจะลงทางไหนอันอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องคิดควบคู่กันไป นั่นมันมันไม่ใช่เป็นทางค้นทุกแต่แล้วในความวิตกความคิดมันคอยขัดขวางให้คนเราทำความดีให้ตลอดไปไม่ได้เดี๋ยวทำความดีไปหน่อยหนึ่งแล้วผัดวิตกไปทางชั่วก็ไปทำความชั่วเข้าไปอย่างนี้นะนั่นพลันถือว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อมาร ต่ออภิสังขารมาณคือว่าายแพย้แต่อความคิดของตัวเองผู้ง่ายๆมันไม่รู้จักเลือกความคิดตนคิดขึ้นมาอย่างไรก็เชื่อมั่นแล้วทำไปตามนั้นเลยแต่ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านเลือกถ้าว่าความคิดอันใดที่มันเป็นบาปอากุศล มันเป็นการคิดไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเช่นนี้ก็ให้ถือว่าเป็นมารเป็นอกุศลความ อ, า ก, อากุศลวิตกเหล่านั้นนะ่ะมันเป็นมารของหัวใจก็รีบเพ่งรีบกําหนดใจละความคิดความวิตกเหล่านั้นเสียหรือความคิดรักใคร่ ไปในอารมณ์มีรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นมันก็เป็นอกุศลวิทตกเหมือนกันเนี่เพราะบุคคลเราจะทำบาปทำกรรมได้ก็เพราะมันต้องเพ่งเดงไปเสียก่อนนะมันต้องไปหมายวสียก่อนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ได้แก่เงินทองเข้าของหรือบุคคลที่ตนโกรธ ตนพยาบาทไว้ในใจอย่างนี้ก่อนที่จะไปทำร้ายก็ได้ก็ต้องเพ่งไปทะก่อนต้องวิตกวิจันย้อมความโกรธนั้นให้มันมากขึ้นเต็มที่แล้ววันนี้ก็เป็นลงมือประหาด ร, ระหารศัตรูนั้นได้เลยอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นมารฝ่ายบาปอคูศล มารฝ่ายกุศลก็มีเช่นบุคคลทำความดีอะไรแล้วก็ปรารถนาให้ได้เกิดเป็นเท ว, เทวดาอินพรหมหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นเศรษฐีกะหาบอดีร่ำรวยเงินทองมากมายอะไรมื่อไแล้วก็ทำบุญกุศลไปอย่างนี้นะทำบุญทำทานไป ไอการทําบุญกุศลแบบนี้มันก็เป็นมานั่นทําให้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่ทําให้ติดให้คล้องอยู่ในโลกสงสารอันนี้หนีจากโลกสงสารอันนี้ไปไม่ได้บุญกุศลมันก็ตกแต่งให้จริงมาทําบุญนะแต่บุญเหล่านั้นมาอํานวยผลให้ มีรูปร่างอันสวยงามแล้วก็มาติดอยู่ในรูปร่างนี้ห่อใจในรูปร่างนี้ทาตนเป็นคนเจ้าชู้มายาทางบุญกุศลไม่เอื้ออะไรแบบนี้นะนั่นไงแถมมีทรัพย์สมบัติมากๆเข้าไปแล้วก็ยิ่งหวงทรัพย์สมบัติอันนั้นอืมออกเงินให้เขากูก้แบบนี้ เมื่อเขากู้มาเขาไม่มีเงินมาใช่บัดนี้เขากลัวเท่านี้จะยึดฟ้องยึดทรัพย์อ่ามันก็รวมหัวกันลงขันกันจ้างมือปืนมาฆ่าเสียนี่แหละมารนมารนฝ่ายอากุศลนยนะมันเบี่งัันเทวุตตะมานท่านหมายเอาสัญญาที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบัน ถ้าหากก็ไม่รู้เท่าสัญญาเหล่านี้แล้วก็เป็นมารอันหนึ่งท่านตั้งชื่อไงว่าเทวบุตรตามานเพราะว่าจิตใจนี่อันมันหลงส่งไปคิดส่งสายไปภายนอกนั่นน่ะมันก็เรื่องมาแต่สัญญานี่แหละเป็นเครื่องนำทางสัญญามันหมายไปเสียก่อน หมายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆไปจิตใจก็เลยวิทกวิจารณไปตามสัญญาที่มันหมายไปนั้นอ่าอย่างนี้นะอะไรอะไรมันก็อยู่ที่สัญญาความจำหมายดังนั้นในโลกสัญญาณอันนี้นะ่ะไอ้จิตใจที่มันไปคล้องอยู่ในวัตถุต่างๆมีรูปเป็นต้นอยงกล่าวมาแล้วนั้น มันก็สัญญานี่จิตใจมันหลงสัญญานี่แหละหลงความจําความหมายนี่เองนะดังนั้นถ้าว่ามารู้แจ้งในสัญญาอันนี้ว่าเป็นของไม่จริงไม่จังไม่ใช่ว่าเป็นแก่นเป็นฐานอะไรความจํามันก็เป็นน้ำมาทำมาหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เห็นว่ามีอะไร เป็นตัวเป็นตนอะไรไม่เห็นได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาแต่ถ้าใจหักไปผูกพันเข้ากับสัญญานะั้นเข้าไปสัญญานะั้นมันก็ปรากฏแมันไม่ดับนะมันปรากฏอยู่ในใจนเรื่อยไปอ่ะวัดถุกสิ่งที่จิตใจผูกพันนะั่นแหะแต่ถ้าไปละสัญญาอันนั้นเสียเมื่อใด้ รูปเสียงกลิ่นลดที่จิตใจผูกพันอย่างนั้นก็ดับไปอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็ดับจากจิตใจไปหมดแต่ว่ามานเหล่านั้นมานคือสัญญามันดับไปนี่ใจมันก็รวมลงได้ถ้าหากว่าสัญญาอารมณ์นั้นยังปรากฏอยู่ในใจแล้วจิตรวมลงไม่ได้เลยนั่นเนี่ย <c oughs> ท่านยึงเปรียบมารจำพวกนี้ว่าเทวุตรมา น, นั่นเองมัดจุมานมารคือความตายความตายทำไมท่านยึงจัดว่าเป็นมารก็มันลองคิดดูสิเวลาคนเราเจ็บหนักลงไปลนะ่ะเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่ย่างนั้น ไม่มีแล้วอันทีจะไปหาความสุขสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้เลยนี่ท่านเจีงเรียกว่ามานแหละและอีกอย่างหนึง่งคนที่ไม่รู้เท่านา้ำรูปอันนี้ไม่ได้ปรองได้วางลงด้วยปัญญาและเช่นี้ย่อมกลัวตายเวลารู้ว่าหมอก็ช่วยไม่ได้แล้วรักษาไม่ได้แล้วอย่างนี้ ก็เกิดว่าเวจขึ้นมากลัวตายเป็นทุกข์ใจเดือดร้อนใจเพราะว่าความตายนี่เป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวมากทีเดียวใครคือความตายนี่นับว่าเป็นภัยที่น่ากลัวยิ่งในโลกสันนิบาตอันนี้เรากลัวอะไรต่ออะไรกลัวสัตว์ดุร้ายบ่ กลัวมนุษย์ที่ดุร้ายกลัวภยัยอันตรายต่างๆระหว่างเดินทางหมนี้มันล้วนตั้งแต่กลัวตายทั้งนั้นเลยอืมถ้ามันถ้ามันไม่ตายอย่างนี้ไม่มีลนะความกลัวไม่มีเลยอืมเป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะมันมีตายหเห็นชัดๆอยู่คนอื่นก็ตายหเห็นมาแล้วโมนี้ ตัวยังไม่ตายนี่ก็นึกเสียวๆอยู่อย่างนั้นกลัวควมตายจะมาสุดฆ่าเอาอันนี้นะท่านยังเ็ไย้ว่ามัจจุมานมานคือความตายเพราะฉะนั้นน่ะจงพากันตั้งใจพี่นาให้รู้เท่ามานเหล่านี้ให้ได้ ทำใจให้สงบประนับลงไปแล้วแล้วก็พิจรารณาขันธมารในก่อนอื่นทั้งหมดเพราะว่ามารทั้งหลายย่อมมีขันหานี่เป็นที่ตั้งเมื่อรู้เท่าหรือเออ่รู้แจ้งขันธมารอันนี้แล้วกระดุ้มว่ามารอื่นๆนนัจะมีความหมายน้อยแล้วน้อยลง ขอให้รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเช่นนี้แล้วนี่ไอความรักความใคร่ความพอใจในรูปเสียงเป็นต้นเหล่านี้มันก็ไม่เกิดขึ้นในใจจะเกิดอะไรแล้วตะขันห้านี้มันก็ยังไม่เที่ยงยังไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว แล้วรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกนุน่นบนจิตใจของเรายัางไงอะ่ะเมื่อตอนคลายความรักความใคร่ในขันห้าที่ตอนอาศัยอยู่นี่ลงได้แล้วอย่างเนี้อ่ะมันก็คลายความรักความใคร่ในขันอื่นในรูปอื่นลงไปได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีเฉภาวะว่าเหมือนกันนี่อย่างเดียวกันประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกัน เมื่อมาเห็นขันภายในอันนี้เจมแจ้งแล้วมองดูขันภายนอกนี่นมันก็ไม่แปล ก, กันเลยประกอบขึ้นด้วย ส, ะสะวภาวธาตุอันเดียวกันแล้วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากเหมือนกันต้องหาเลี้ยงต้องประครบต้องประงมอยู่อย่างนี้แหละอย่างเช่นว่าร่างกายนี่นะมัน เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สวยไม่งามอเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วไฟ้ามันย่อยอาหารส่วนละเอียดซึมซาบเข้าไปเลี้ยงร่างกายนี้่มาให้สุขผอมลงมันก็อยู่ช่วง ไ, ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นอาหารที่ไฟพาตย่อยเข้าไปได้เนี่ยมันหมดอายุของมันแล้วมันก็ ออกมาเป็นเหงือเป็นไขรเป็นน้ำหมูกเป็นน้ำลายเป็นน้ำตาอะไรไปอย่างนั้นนะอันอาหารส่วนละเอียดที่ไฟถ้ามันย่อยเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนหยาบกบเป็นอุจจาระปัสสาวะออกไปก็นี่นะร่างกายอันนี้ มันเป็นอยู่ยากกระเพราะมันต้องได้บำรุงอยู่ถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืนก็จะไปบำรุงมันทำไมอ่ะมันเมื่อมันเที่ยงมันยั่งยืนไม่ไม่ต้องมีการบำรุงอะไรมันก็อยู่ได้อย่างนี้นะมันก็ไม่แตกไม่ดับนะมันก็อยู่ได้ไปตลอดการท่านานทีเดียวแต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ มันเป็นอยู่ได้ทุกวันในร่างกายอันนี่เพราะอาศัยอาหารปรุงอาหารแล้วหล่อเลี้ยงมันเข้าไปนั่นแหละไฟธาตุจิงย่อยอาหารซึมซาบเข้าไปตรึงร่างกายอันนี้ไว้ให้อ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ขั้นพอเจ็บป่วยลงรับประทานอาหารได้น้อยลงไป อาหารที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายนี่ก็น้อยฮะ น, นี่ร่างกายนี่ก็หิวแห้งทุบทีดลงไปนี่ไม่เห็นมีอะไระยั่งยืนที่ว่ารูปร่างเป ล, งปล่งปรังสวยงามอ้วนท้วนสมบูรณ์อะไรหมนีนะมันเอาแน่นอนไม่ได้เลยของมุนีแต่โรคภัยผีเปงเข้ามาแล้วไอ้ความเปล่งปรังอะไรพวกนั้นก็หายไปหมด ความอ่นทั่วหมดนั้นก็หายไปเกิดเป็นความทุบตีขึ้นมาแทนนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> การเจริญปัญญาวิปัสสนาเราก็ต้องพิจารณารูปกายอันนี้ให้มันเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันเรื่อยไปอย่างนี้แหละ เมื่อเมื่อเหตุปัจจัยของร่างกายนี่มันแจ่มแจ้งขึ้นในใจแล้วเมื่อก็หายสงสัยในใจนี่นะหายอะไรหายสงสัยว่าตัวว่าตนแหละอืมหายสงสัยว่าเป็นของสวยงามเป็นของยั่งยืนอะไรอย่างนี้นะมันก็หายสงสัยไปอเมื่อมันหายสงสัยแล้วเป็นไงวะนี้อ๋มก็ปรงวางไว้ตามสภาพแหละ เพราะมันรู้ชัดเราไม่ใช่ของเรานี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พึ่งพากันพิจารณาเพราะความจริงมันมีอย่างนี้จริงๆร่าง ก, กายสังขาร น, นี่นะแต่จิตมันมันหากไม่ยอมรับรู้ความจริงดังกล่าวมานี้เท่านั้นเองนะ หรืว่าเราจึงหาอุบายสอนจิตนีใน่ให้มันยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้คำว่าการเจริญสมรชาวิปัสสนานะมันมีความหมายออกมาในรูปนี้แหละที่แรกจิตไม่สงบก็พยายามเพ่งจิตนี่ให้มันสงบซะก่อน ให้มันหยุดคิดหยุดนึกไปในอารมณ์ต่างๆตามที่มันเคยคิดเคยนึกมาให้มันหยุดคิดไปชั่วระยะหนึ่งก่อนถ้ากฝึกให้มันหยุดคิดลงได้อย่างนี้แล้วต่อไปก็ฝึกให้มันคิดไปนี่นะแต่ให้มันคิดอยู่ได้ขอบเขตจํากัดคิดในเรื่องที่เป็นเหตุให้ เกิดลิพพิทาความเบื่อหน่ายความคลายกำลังกินดีนี่เรียกว่าความคิดอันประกอบไปด้วยวิปัสสนานะประกอบด้วยปัญญาก็เึงว่ามาลำสันภารนาความเป็นมาของร่างกายนี่เมื่อการเจริญปัญญาในขั้นต้นนะนนเมื่อปัญญาอสอตรอง มองเห็นร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปวนแตกดับเป็นธรรมดามันเห็นแจ้งโดยปัญายันเนี้ยมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาคืออย่างนั้นเมื่อมันเบื่อหน่ายมากมากแรงๆเข้าไปมันก็คลายความกำหนัดยินดีลงไปได้มันเป็นอย่างนั้น ถ้ามันไม่เบือ่อนายตราบใดแล้วมันไม่คลายดอกความกำหนัดยินดีนี่นะดังนั้นเนยอย่าพากันประมาทให้พึ่งพากันพยายามละกิเลสสามาญดังกล่าวมานี่ออกจากจิตใจให้ได้ด้วยการเจริญสรสมะวิปัสสนาก็กำหนดพี่นารูปนั่นให้มันเข้มแจ้งด้วยเหตุด้วยผล แค่นี้บ่อยๆเข้าไปอ่าเมื่อมันเห็นทําไปเกียงลงไปแล้วมันก็เบื่อหน่ายแล้เพราะว่าจะเป็นรูปหญิงก็ดีรูปชายก็ดีรูปอะไรต่ออะไรก็ดีไอ้จิตมันไปติดไปคล้องอยู่มันก็เพราะมันหลงสําคัญว่าสวยว่างน้ำนั่นเองสําคัญว่าเมื่อได้รูปนั่นมาตามประสงค์แล้วตนจะมีความสุขความสบาย อย่างนี้มันที่แท้แล้วมันมาเพิ่มทุกข์ให้ซ้ อ, อคนเรามันหลงทางหากเช่นการแต่งงม้มแต่งงานอะไรกันบุนีนะตามความรักความใคร่ที่มันเกิดขึ้นในใจนะั่นที่จรณาไปเ้าดูเหมือนว่าเมื่อได้ผัวหรือได้เมียมาแล้วตนจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างนี้แหละเมื่อคิดมาแล้วก็ปื้มใจขวานขวายให้ได้ผัวให้ได้เมียนะมาะเมื่อได้มาแล้วเอาอะไรวั น, นี้นะมันไม่เป็นไปตามประงสงค์ซะแล้วไอความอยากร่มอยากรวยอยากมีลาบอยากมียศเหมือนอย่างคนที่เขามีมาแล้วบนั่นมันก็บังเกิดขึ้นในใจนะความอยากเหล่านี้นะ รบเราให้ทําการทางานให้สแสวงหาเงินทองเข้าของเอาบ้านโมมีก็ต้องหาเงินมาสร้างบ้านถ้าวร อ, อยู่กันอะไรโมนี้นะเครื่องประดับไม่มีก็ต้องไปหาซื้อเอามาประดับประดาเหมือนอย่างโรคที่เขานิยมสมมุติกันบ้านี้การแสวงหาเงินทองเข้าของไม่ใช่ของง่ายบ้านี้ คนที่บุญน้อยก็เลยแสวงหาก็ไม่ค่อยได้ทำถ้าคนมีบุญมากได้ทำมาแต่ก่อนก็ค่อยอยังชั่วหน่อยหาไปก็พอได้ให้ได้จ่ายไปการแสวงหานะ่มันไม่ใช่เป็นของสบายเมื่อไรแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหล ะ, ะเรามาเจริญปัญญามาพิจารณา ให้เห็นความเป็นมาหรือความเป็นไปความเป็นอยู่ของร่างกายสังขารอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงดังกล่าวมานั่นน่ะนั่นแหละจิตมันถึงจะคลายความกำหนัดยินดีลงเพราะมันเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอยู่ยากไม่สาสชีวิตรักไปใคร่มันทำไม่ เพราะมันได้ผลปื้อต้องได้ดูแล ร, รักษากันอยู่อย่างนั้นปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้มันก็ไม่ใช่หาได้ง่ายๆต้องสู้ทนทรมานกรรมพ้นทนแดดหนักเอาเบาสู้ทำการทำงานต่างๆขวร่จะได้เงินทองเข้าของมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันนี้นี่มันไม่ใช่ของง่ายนะ แล้วใครเราเป็นทุกข์วะนี่เอาก็จิตตรงนี้สิเป็นทุกข์อะร่างกายมันไม่ว่าอะไรจิตใช้มันทำอะไรมันก็ทำไปอย่างนั้นเลยอืมที่ว่าเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยจริงอยู่อาการของร่างกายนั่นแหละมันวิบัติแปรปรวนไปเนื่องจากทำงานมากแล้วมันเหนื่อยแต่ตรงจิตนี่ต่างหากมันรู้สึกอะ แต่ร่างกายมันไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเมื่อยอะไรเลยเพราะมันมีแต่ธาตุดินธาตุด้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองส่วนผู้เท่กวนกไวยเดือดร้อนจริงๆนักคือดวงจิตจิตที่ไม่รู้เท่า ทีนี้ถ้าหากว่าจิตได้เจริญปัญญาได้แยกแยะได้พิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงนังกล่าวมานั้นได้แล้วครับจิตก็ไม่เป็นทุกข์เลยตอนนี้ถึงร่างกายนี่จะแปรปลวนไปยังไงยังไงก็ปล่อยให้แต่ร่างกายนั่นแหละมันแปร ป, ปรวนไปแต่ตนจะสํารวมจิตให้นแน่วแน่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งแล้วรู้เท่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อันนั้นทุกอิริยาบถไปเลยทุกนาทีวินาทีไปไเช่นนี้แหละมันถึงจะพ้นจากบวงแห่งมานทั้งหลายไปได้จิตใจอันนี้นะถึงยอมพ้นจากขันห้าอันนี้ไปได้ขอให้พากันพิจารณาให้ดี มันเป็นทุกข์การแสวงหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นมาโหลดเลี้ออยงร่างกายอันนี้เพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงดำเดนินชีวิตอยู่อย่างง่ายๆเป็นแบบอย่างของชาวโลกออกบวดแล้วเที่ยวินสวาสดิเี้ยงชีพได้ยังไงไมา ก, ก็ฉันอย่างนั้นเนื้อก็ฉันมือเดียว เพราะมันเป็นภาระอันหนักถ้าไปฉันหลายมือเข้าไปเมื่อมีหลายผู้หลายคนมาอยู่ร่วมกันเห็นนั้นการขนไถ่แสวงหาอาหารผ้าน่งคาพ่อมาหล่เลี้ยงมาบำรุงร่างกายอันนี้มันก็มากขึ้นถ้าแสวงหาไม่ได้ก็เดือดร้อนแล้ววันนี้นะแน่นแ พระพุทธเจ้าเลยเป็นเรงที่นาเห็นอย่างนี้เลยพระองค์เจ้าจึงฉันหนเดียวเป็นตัวอย่างของสาวกบริษัททั้งหลายเราเป็นบริษัทของพระองค์ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดปลาศาสนานี่ก็ควรถือเอาอย่างของพระองค์พระองค์ก็ยังมีกำลังเพราะอรรกายสามารถ ทรงพระดำเนินด้วยพระบาทเปล่าไปเผยแผ่ธรรมะที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วนันแก่บุคคลผู้มีวัสนาบา ร, รมีตามถิ่นนั้ น, น, นปรากฏว่าออกพรรษาแล้วกเสด็จแล้วพระองค์ไปแล้วมีพระสงฆ์ห้าร้อยลูปแวดร้อมไปอย่างนั้น เป็นกิจวัตรของพระองค์ผู้เป็นพระศาสดาเอกในโลกเพราะพระองค์เลงงานสองสัตว์โลกเห็นว่าคนเหล่านั้นมีอุปนิสัยวาสนาขอที่จะโปรดได้พอที่จะสั่งสอนให้รู้ให้เขาละบาคปความเ็นบุญได้หรือจนลอะอาสวัคคีเลสให้หมดสิ้นไปได้พระองค์พิจารณาเห็นอุปนิสัยคนเหล่านั้นแล้ว ก็เสด็จไปสู่บ้านนั่นทรงแสดงธรรมเมื่อมีคนรู้ธรรมเร้นธรรมตามตา ม, ตามอุปนิสัยวดัดสนาแล้วคนนอกนั่นเป็นผู้ไม่มีบุญวดัดศาสนาแรงกล้าก็ไม่สามารถรู้แจ้งในธรรมของจริงที่พระองค์เจ้าแสดงได้พระองค์ประทับอยู่ตามอัธยาศัยแล้วก็ โยกยาไปที่อื่นไปอย่างนั้นนะแล้วพระองค์ก็ฉันพาทหารวันละมือเท่านั้นเองวันละคาบนั่นเอนน อ, นนอันนี้เป็นปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทรรม อยู่ในวัดวาอารามแล้วเราต้องพยายามรับประทานผลเดียวตามพระพุทธเจ้านั่นชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเป็นจะปรงภาระให้เบาลงกูเก่าภาระของการอยู่การกิน เครื่องใช้ไม่ถอยต่างๆหมนี้นะมันก็จะเบาบางลงพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าการอยู่การกินนี่เป็นภาระอันหนักมากทีเดียวแม้เราพิจนารณาก็เห็นทุกคนก็พิจารณาเห็นดังนั้นแหละแต่ว่าอาศัย ความอยากมันท่วมหัวใจแล้วมันก็ไม่พิจารณามันท้อบางแหงนเป็นยังไนท่านผู้พิจารณาด้วยปัญญาแล้วโหงานอันไหนมันจะไปยุ่งยากมากเหมือนอย่างงานการอยู่การกินเนี่ยในโลกอันนี้เหมันก็งานอันนี้แหละสำคัญนะคนเรามันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งเหมือนี้ หาเงินหาทองมาก็เพื่อปากพ่อเพื่อท้องนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นถ้าเหลือเหลือจากนี้จึงหาเครื่องประดับประดาอะไรต่ออะไรมาสวมใส่เข้าไปแต่ถ้าท้องยังหิวโหยไม่ยังไม่ยอมอไปอย่างอื่นหรอกแต่เมื่อได้ให้ท้องนี่หายหิวแล้ว ก็จึงไปทำงานอย่างอื่นได้แต่ผู้ครองเรือนน่ยแน่นอ น, นเมื่อไม่เมื่อทำการงานหนักเข้าไปไปท่ามันก็ย่อยอาหารไปหมดโดยเร็วมันก็ต้องได้เอาอาหารบำรุงมาเข้าไปอีกจึงมีกำลังสามารถทำงานหนักไปได้ส่วนนักบวชนี่ไม่ได้ทำ งานหนักกำพนทนแดดแบกแบกห้ำห้ำเหมือนอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้นะเพียงแต่ชั้นหนอนเดียวหนึ่งมันก็ได้แล้วอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งให้พากันพิจารณาอย่างนี้ผู้ที่กำลังฝึกตนจะบวชอยู่ก็ดีอย่าไปปล่อยให้ความอยากมัน จงไปให้ดิ้นรนในเรื่องอาหารเดี๋ยวถ้าบวชเข้ามาแล้วก็จะเดือดร้อนเนี่ยอย่างเคยรับประทานอาหารมือหนึ่งสองมือเข้าไปพอบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ฉันพระนาอาหารอย่างนั้นก็จะเดือดร้อนแล้ว เดี๋ยกวก็าหาอูปไปต่างๆนานาเข้าไปแล้วซ่อนอาหารเก็บอาหารไว้ฉันอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยอย่าไปทำผู้ปฏิบัติธรรมผู้นักภาวนานะมีปัญญานะพิจารณาเห็นบันเทากิเลสต่างๆเหล่านี้ลงได้มันถึงเป็นนักบวชได้ บันเทาความอยากเหล่านี้ลงไม่ได้ไม่ควรจะเป็นนักบวชเลยเพราะเป็นนักบวชนี่ต้องเป็นนักเสียสละจริงๆสละตอนลงปฏิบัติตรงต่อธรรมต่อวินยัยไม่อ้างโ น, น้นอ้างนี่เลยทีเดียวนี่มันถึงเป็นนักบวชได้และการบวชก็จึงมีผลมากทีนี้ดังนั้นให้พากันพิจารณาดูให้ดี การบวชนี่แหละนับว่าเป็นการประกอบคุณงามความดีได้อย่างสูงส่งกว่าผู้ครองเรือนนี่เพราะภาระของการแสวงหาปัจจัสีมาเลี้ยงอัตภาพอันนี้เนะี่ยมันน้อยลงเมื่อเราปฏิบัติตามทมตามวินัยตรงไปแล้วดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ย ผ้านุ่งผ้าห่ ม, มล้วก็จํากัดลงไปพระองค์ก็ทรงจํากัดลงไปเป็นตัวอย่างของภาษาวลกเครื่องนุ่งเครื่องห่มไม่พุ่มเพลอ์มันก็เป็นภาระอันเบาลงบัดนี้นะั่นแหละไม่เป็นภาระอันหนักในการแสวงหาในการทะเยอะทะยาน อยากได้เครื่องอผ้านุ่งผ้าห่มที่สวยๆงามๆเห็นคนอื่นนุ่งหม่มผ้านุ่งผ้าห่มที่ประณีตสวยงามประยากได้ขึ้นมาแล้วก็ไปเป็นกังวลล้วไปสแสวงหานั่นการที่จะมาทำความเพียรทำใจสงบไม่มีทางถ้าปล่อยให้ตัณหา มันครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นนะแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมนี่ถือสัรตุถีตามมีตามได้และอย่างนี้ตนได้มายัางไงก็จะเป็นของหยาบของกลางกลางหรือของละเอียดแล้วก็พิจารณารู้เท่ามันว่าของเรานี่เป็นของใช้ชั่วคราว ไปไปแล้วมันก็ขาดมันก็สำรุดสุดโทมไปจะเป็นของปร น, นีตหรือของเงาของอะไรก็ตามเลยมันไม่ใช่ว่ามันจะยั่งยืนอยู่เรื่อยไปบางทีร่างกายอันนี้มันจะแตกกลับไปเสียก่อนเครื่องนุ่งเครื่องห่ม ต, ต่างๆวันนี้มันยั้งอยู่แน่นอนนะต้องยังอยู่แน่ชุดสุดท้ายอืมแต่ว่าส่วนมากเขเอาเผาไปเข้าไปด้วยกันเลย มันเป็นอย่างนั้นเลยพิจารณาลงไปให้มันละเอียดถี่ถ้วนลงไปแล้วมันก็นบรรเทาความอยากเหล่านี้ลงได้อืที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันนะ เ, เขาจัดให้อยู่ยังไงเราก็พอใจอยู่อย่างนั้นไม่ต้องถ้าเยอสยานเห็นว่าคนผู้นั้นมาอยู่อ่ที่อยู่ดีสวยงาม โอทงไอ้เรานิ่นได้อยู่กระท่อมบอทําไมยังเป็นอย่างนี้อะไรมิตกวิจารอยู่นั่นเน่ะอันนั้นมันก็เป็นกิเลสอันหนึ่งแล้วเป็นเครื่องข้องแล้วอืมอย่างนั้นเมื่อเราถือสันตุถีในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยตามมีตามได้เราแจกให้ยังไงเราก็อยู่อย่างนั้นไปทําความสะอาดเรียบร้อยในที่อยู่อันนั้น ให้ดีเข้าไปเช่นนี้จิตใจมันก็ไม่ได้ไปกังวลกับที่อยู่ที่อาศัยภาวนาเข้าไปก็มักจะสงบระงับลงได้ง่ายนี่เพราะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยต้องให้รู้เท่าปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้ให้รู้จักพอดีพอ ง, งาม อาเช่นนี้แล้วการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นไปได้ก็ก้าวไปได้แม้หยกยาแก้โรคใครใครเจ็บก็เหมือนกันถ้าหา ก, กว่ามันมีเหตุบังเอิญหาไม่ได้อย่างนี้แล้วเราก็วางตามสภาพมันร่างกายอันนี้ไม่ต้องเดือดร้อน เพราะชีวิตนี่เนื่องอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมถ้าบาปมันอำนวยผลให้นี่มันปิดทุกทางไปเลยมันไม่ให้รักษาไม่ให้อะไรต่ออะไรห้ได้ทนทุกทรมานอยู่นั้นแหละจนกลัวจะแตกดับทำลายลงคนเราเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยลง เมื่อเห็นว่าใครไม่มาเอื้อเฟื้อดูแลนิดหน่อยก็น้อยเนื้อตาใจหรือว่าไม่มียาจะรับประทานอย่างนี้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอันบุนี้เราต้องพี่นาให้รู้เท่าร่วงหน้าไว้เลยเพราะว่าชีวิตนี่เนื่องอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมแต่ถ้าตดบุญตนมี เจ็บไข้ได้ป่วยลงมันก็มีผู้เอ็นดูกรุณามีผู้สงสารเราดูแลรักษาอยู่ใกล้เคดอย่างนี้นะออแล้วก็หรือบางท่า น, นก็พาไปโรงพยาบาลไปช่วยเหลือดูแลให้เต็มที่อันหมดนี้มันก็เกิดจากผลบุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ก่อน แต่ชาติก่อนตนก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเวลาผู้อื่นหรือว่อางานพี่น้องหรือเพื่อนพึง่งที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราก็ไม่ทอดทุร l a เนี่ยเอาเป็นภาระทุระช่วยเหลือรักษาดูแลจนถึงวาระสุดท้ายอย่างนี้นะอันนี้สงเหล่านั้นเนี่ยเมื่อตนเกิดมาชาตินี้ อาเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็มีผู้เอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลรักษาพยาบาลให้เต็มที่เลยจนกลัวว่าเมื่อมันหมดบุญเก่าแล้วมันก็ตายลงไปตายแล้วก็แล้วไปเมื่อเวลา ย, ยังไม่ตายเจ็บไข่ยอยู่คนผู้มีบุญเนะ่ะมันก็มีผู้เอาใจใส่ดูแลรักษาเต็มที่ถ้าคนบุญน้อย บาปหลายอย่างนี้เมื่อก็หาผู้ดูแลรักษาไม่ค่อยจะได้ใครก็รังเกียจมีโยก็เพราะเหตุไรเพราะว่าแต่ชาติ ก, ก่อนนั้นตนไม่ได้เอื้อเฟือต่อคนเจ็บคนไข้พอเห็นใครเจ็บใครได้ป่วยก็เมินเฉยเสียไม่ดูแลกันไอ้ผู้ใดที่เขาดูแลเขาดูแลรักษา การเต็มที่ด้วยความเมตตาจิตอย่างนี้มันก็มีอา น, นิสงอันนั้นแหละติดตามมาอำนวยผลให้ให้พึงเข้าใจดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนไว้ในสารานิยธรรมนั้นเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตา ในเพื่อนทิกษุขสา ม, มเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังคือช่วยขวัญขวายในกิจธุระของเพื่อนกันด้วยกายมีพยาบาลทิกษุขให้เป็นต้นด้วยจิตเมตตาเนี่ยพระองค์เจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นมีเมตตากรุณาต่อกันและกันทอยที่ทอยช่วยเหลือกัน เวลาฝ่ายหนึ่งถึงความวิบัติลงเราก็ช่วยเหลือกันให้เต็มความสา ม, มารถต่อไปเมื่อเวลาตนถึงความวิบัติลงเพื่อนก็ช่วยเหลือเหมือนก็อย่างนี้หละทอถทิ้ง อ, อาศัยกันไอ้เกิดบนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสงสารอันนี้นะเออพราะเราจะเกิดอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เพราะเหตุนี้แหละ พอร่างกายสังขารไม่เที่ยงถ้ามีตัวคนเดียวอย่างเนี้ยมันเจ็บแค่ได้ป่วยลงก็ไม่มีใครรักษาดูแลก็ทนทุกข์ทรมานไปนะจนป่วยจะตายถ้าได้รักษาดูแลอาจหายไปได้อย่างเนี้เมื่อไม่มีใครรักษาดูแโลโรคไัยมันก็โรคอย่างแรงขึ้นมันก็อาจตายได้ ม, มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนะี่ย ไอ้ ก, การพิจารณาให้ดีไอ้การปฏิบัติธรรมนะ่ะต้องรู้เรื่องหมดนี้การภาวนานะเมื่อรู้หมนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปตามที่รู้นะนะั่นเองมันก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยถ้าหากว่าตนยังไม่สามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานหมดในชาตินี้ได้ กิเลสยังมีอยู่ที่จะต้องเที่ยงท่องเที่ยวไปในสงสาร้าก็ตนได้ทำคุณงามความดีต่างๆไว้ในโลกนี้แล้วนนี้สงเหล่านี้มันก็ติดสอยห้อยตามอำนวยผลให้ในพบในชาติต่อๆไปเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอายุวั น, นสุขระระ ปฏิพา น, พนทนสารสมบัติหรือธรรมสมบัติปัญญาสมบัติอะไรก็บางเกิดขึ้นได้เพราะเหตุว่าผู้นั้นใดบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีหลายอย่างประกอบกันไปเช่นนี้เนี่ยที่พระาศาสดาทรงสอนให้บำเพ็ญบุญกุศลน่ะนะ เพราะทางให้เกิดบุญกุศลมันก็มีอยู่เช่นบุญกิาวัตุสิบประการหมู่นี้นะก็ ล, ลองพิจารณาดูสิผู้ศึกษาเราเรียนท ร, รมวิในทารมายัยอ่านะไมยศีระไม้ภาวนาไมา้อาปัจจาะนะ์ไม้ การกระตุตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศล น, นี่นี่เ <c oughs> วยียวญวจักไม่การช่วยขวนขวายในกิจธุระของเพื่อนกันโดยทางที่ชอบอย่างนี้หมายความว่าเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งมีกิจธุระอะไรเกิดขึ้น เราก็ไม่ดูดายไม่เมินเฉยเราสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนก็ช่วยเหลือกันไปให้กิดธุระอันโดยที่ทางที่ชอบนั้นสาเร็จตุล่วงไปด้วยดีอันนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลอันหนึง่งนั่นเนี่ยการแสดงตนที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ โมนี้นะมันล้วนจะเป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลยการให้ส่วนบุญกุศลเรียกว่าปฏิทานะไม่นี่เมื่อตอนทําบุญกุศลเราไม่สนีประกาศให้เพื่อนทั้งหลายอนโมทนาด้วยออย่างเนี้การฟังธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนึ่งผู้สแสดงธรรม ได้บุญได้กุศลด้วยเป็นอย่างนั้นผลสุดท้ายได้แก่การทําความเห็นได้ตรงเป็นบุญอย่างสูงนี่หมายถึงมรรคผลธรรมวิเศษเหลอพ่ะการทําความเห็นได้ตรงนี่น่ะหรือ ถ, ถ้าถถถไม่ถึงกับมรรคผลธรรมวิเศษก็คือได้แก่ เป็นผู้ที่มีความเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วไม่ไปหลงไหลบงสงอ่อนนอนต่อสิ่งศัก ด, ดิ์สิทธิ์ใดๆในสารคนโลกให้มาช่วยเหลือตนให้มีความสุขความเจริญอ้นภัยพิบัติต่างๆอย่างนี้ยไม่เกี่ยวเพราะความเห็นตรงนี่สัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขเป็นทุกข์กขาเกิดแต่การกระทำของตัวเองทั้งนั้นนี่ พระศาสดาตัดตรู้ในยานที่สองที่เรียกว่าจุตูปปาตยานนั่นนะเราต้องเชื่อพระปัญญาตัดตรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเราจะไปเชื่อปรัมปราไปตามความคิดความเห็นของคนหมู่มากไม่ได้เพราะคนหมู่มากส่วนมากมันเป็นคนมีกิเลส มีอวิชชาตันหาครอบงำจิตใจยอยู่ฉะนั้นเขาคิดอะไรเห็นอะไรไปมันก็มักจะไม่ค่อยถูกทำไม่ค่อยเป็นธรรมไม่ค่อยเป็นทางพ้นทุกได้เราต้องรู้ไว้ถ้าหากว่าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็ไม่ทรงสอนให้ละมิจฉาทิตฐิเหล่านั้นแหละ การผูกดวงการสะเดาะข้อการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์ผูดผีปีชาตอะไรหมดนี่นะไม่สามารถที่จะช่วยบุคคลให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าพระองค์รู้แจ้งแล้วประจึงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัท ละเว้นไอ้ความเห็นเหล่านี้ความถือมั่นเหล่านี้เสียให้ทําใจข้าตนให้ตรงให้มีความเห็นตรงเลยเรียกว่าเป็นอุชูปฏิบัติตรงไปเลยไม่อ้อมค้อมเลยเอาเราทําดีนะจะไม่ได้ดีมีที่ไหนอ่ะไอ้ทําชั่วจะไม่ได้ชั่วนี่จะมีที่ไหน ท่านเมื่อตนเห็นว่ากรรมชั่วอำานวยผลได้เป็นทุกตนก็ละมันเสียไม่ทำมันละมันให้หมดไปเสียเลยแนละ้วตั้งหน้าทำแต่กรรมอันดีใส่ตนไว้อย่างนี้นะมีแต่บุญกุศลคุณงามความดีตามอำานวยผลให้มันก็มีความสุขความเจริญสม่ำเสมอไปตลอดชีวิตเละไอ้ที่ตนถึงความมีบัตร ขึ้นในร่างกายสังขารแล้วนั่นแก้ไขไม่ได้มอกก็ช่วยไม่ได้หมู่นี้นะมันล้วนตั้งแต่เป็นกรรมเก่ากรรมเก่าที่ตนทำมาแต่ก่อนนุ่นแต่ก่อนตนได้เบียดเบียน บ, บุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนบางทีก็ทรมานสัตว์ให้ถึงลมถึงตายแต่ให้มันเจ็บมันปวดให้มันอดน้ำอดอาหาร อะไรอย่างนี้นะบางทีก็ไปทรมานคนทุเตีเลือกตกยางออกเรือแค้นแขนหกักขาหากักอะไรไปหูหนวกตาบอดทำเขาให้เสียองค์พระเข้าไปอย่างนี้กรรมนั้นมันก็ตามมาสนองเอาสาิเมื่อเมื่อถึงเวลากรรมมาในผลมาแล้วร่างกายนี่มันก็ทุโตโทมิ